ส่วนพระสัมภะสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีนั้นที่สุดแห่งสมาธิบารมีส่วนพระโสนุตระเนี่ยนะโสนะบวกอุตระในพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูพระโสนะเนี่ยนะเลิ่ทางปัญญาพระอุตระเลิ่ทางสมาธิเนี่ยนะพระโสนะเนี่ยนะโสนะเนี่ยมีปัญญามากพระอุตระนี่มีสมาธิเน้นไตทางสมาธิคล้ายๆกับพระมหาโมคลานะ ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันธะนั้นเนี่ยนะท่านวิทูระสาวกชื่อว่าวิธูระกับท่านสันชีวะพระวิทูระบรรลุปัญญาบารมีท่านสันชีวะบรรลุสมาธิบารมาีท่านสันชีวะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติเข้าสมาบัติพยายามด้วยกำลังสมาบัติพักในที่พักกลางคืนหรือกลางวันไม่ว่าจะพัก ที่กุฏิที่ถ้าและมนตบท่านก็จะเข้านิโรธสมาบัติบางทีเนี่ยท่านก็จะเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในป่าตลอดทั้งวันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านไปนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในป่าพระที่เข้านิโรธสมาบัติท่านก็นึกว่าอะไรก็เหมือนคนตายอ่ะนะแต่ว่าอินทรีย์ผ่องใสะนะเหมือนคนตายทุกประการต่างกันตรงที่อินทรีย์ผ่องใสตาหูจมูกลิ้นร่างกายเนี่ยผ่องใสชีวิตอินทรีย์ยังดํารงอยู่จิตเยตสิกไม่มี เพราะฉะนั้นก็นึกว่าท่านตายเรียบร้อยแล้วก็เลยช่วยกันเผาท่านะนะตอนท่านก็นั่งโน่นอ่ะตอนเช้ามาท่านก็อุ้มบาดไปบินทบาทะนะก mm ็เ hmm. รียกว่าหฮมจีวอนไปบินทบาตรคนก็เลยเรียกท่านว่าท่านสันชีวะส่วนพระวิทูระวิทูระองค์นี้แหละที่พยามานเข้าสิงเด็กแล้วก็ะนะพญามันคือโมคลานะทูทูศีมานเนี่ยทูสีมานที่สิงเด็กแล้วก็เอาก้อนหินปลาศีษะท่านแตกะนะก็คือพระวิทูระนี่แหละ ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคมาณะเชวาโสอภโยสะเนี่ยนะพิโยสะกับพระอุตระพระพิโยสะนั้นเป็นผู้เลิศทางปัญญาพระอุตระเลิศทางสมาธิส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะนั้นสาวกของพระองค์ข้างขวาชื่อว่าติสสะข้างซ้ายภารัทวาชะ เดชะนั้นเลิ่ทางปัญญาภาระทวาชะเลิศทางสมาธิส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราคือสารีบุตรโมคขลานังภาษารีบุตรและพระโมคขลานะภาษารีบุตรนั้นเป็นผู้เลิ่ทางปัญญาท่านพระมหาโมคขลานะเป็นผู้เลิ่ทางสมาธนินี่ก็รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงโอวาทปาติโมก นะโอวาทปาติโมกเนี่ยนะประชุมสาวกสันนิบาตเพื่อประกาศโอวาทปาติโมกที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าให้โอวาทปาติโมกเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่า ว, วิปัสสีเนี่ยพระองค์ให้โอวาทปาติโมกทุก6ปีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้โอวาทปาติโมกทุกสิบห้าวันที่นี้คําถามว่าทําไมจึงใช้คําว่าสาวกสันนิบาตก็คือเน้นว่า สาวกเหล่านั้นมาประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ประการจึงเรียกว่าสาวกสันนิบาตองค์องค์สีมีอะไรบ้างหนึ่งทั้งหมดที่มาประชุมกันนั้นจะต้องเป็นเอหิภิขุภิกษุทั้งหมดนั้นมีบาตและจีวรที่เกิดจากฤทธิ์ก็แสดงว่าอดีตนั้นอดีตชาติท่านเคยถวายบริขารแปดถวายไตรบริขารเอาไว้แล้วในท่านผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะถ้าตั้งความปรารถนาก็เลยได้เป็น เอกิพิขุอุปสัมปทาอย่างที่สองท่านเหล่านั้นทั้งหมดมาแบบไม่ได้นัดหมายกันอย่างที่สวันที่ประกาศนั้นจะต้องเป็นวันอุโบสถขึ้น15บ่ําเดือนสนะวัน15บ่ําเดือนสามนะพันพระาศาสดาก็ประทับนั่งจับพัดยังภิกษุให้ลงอุโบสถนะอันนั้นก็คือพระองค์แสดงยกโอวาทปาติโมกขึ้นแสดงก็เรียกว่าสาวกสันนิบาต มันพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็แสดงบางพระองค์นะแสะดง3ามครั้งบางพระองค์แสดงหนึ่งครั้งอย่างเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีบอกว่าการประชุมกันแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้มีสาครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจํานวนภิกษุ6ล้านแปดแสนรูป อ, นนอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมการจํานวนภิกษุแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีภิกษุสาวกประชุมกันเป็นจํานวน8 0ดหมืรูปสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นพระขีณนาศบทั้งสิ้นนะแต่ต้องเป็นพ้าอรหันนะที่มาประชุมกันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การประชุมการแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีนั้นมีสครั้งครั้งหนึ่งมีครั้งที่1่ะนะมีพระสาวกประชุมกันเป็นภิกษุจำนวน 100,000 รูปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองมีพระสาวกประชุมกันเป็นภิกษุจำนวน8ปดห0ื่นรูป อีกครั้งที่สมเนี่ยนะมีสาวกประชุมกันเป็นจํานวนพิสูเจ็ดหมื่นรูปดูก่อนพิสุน์ทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีนาศกทั้งสิน้นประชุมแบบไม่ใช่ผ้าอรหันต์เนี่ยนะประชุมทีแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ไม่ต้องเอามานับเนี่ยนะเอานับเฉพาะแต่สันนิบาตการประชุมผ้าอรหันต์อย่างเดียว อย่างสมัยปรินิพานที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยพระพิสุประชมกันเนี่ยอย่างน้อยเจ็0 0 0นรูปพระพุทธเจ้าของเราณวันปริ น, นิพานนะพระพิสุประชมกันอย่างน้อยเจ็ดแ 0,000 นรูปจะกล่าวไปยายถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่ามนุษย์เนี่ยนะมาเท่าไหร่ประชาชนเนี่ยติดตามมาเท่าไหร่คงติดตามมามากเพราะข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยสเดือนพระองค์ปรงมาายุสังขารก่อนปรินิพานประมาณ สเดือนพันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะโหผู้ที่เขาติดตามที่จะได้พบได้ชื่นได้ชมพระพุทธเจ้าเพราะโอกาสที่จะได้พบเหมียนอีกต่อไปไม่มีแล้วพันที่ประชุมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นจึงมากย้อนกลับมาถึงพระพุทธเจ้าการประชุมสาวกของพระพุทธเจ้าเวสภูว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย การประชุมการแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตสมมาสามพุทธเจ้า พ, พระนามว่าเวสภูนั้นได้มีสาครั้งครั้งหนึ่งมีครั้งที่1น่งะนะมีการประชุมสาวกจํานวนภิกษุแ 0,000 ืรูปครั้งที่สองมีพระสาวกประชุมกันเป็นพิสุจํานวนเจ็ดหมื่นรูปครั้งที่ส ม, มีพระสาวกประชุมกันเป็นพิกสุจํานวนหก0 0 0่นรูป ดูก่อนพิสษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูซึ่งได้ประชมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนแต่เป็นพระขีนาศบทั้งสิ้นนะโอ้ยผู้ใดที่มีบุญมากนะได้พบเห็นท่านเหล่านั้นได้กราบได้ไว่ายได้ถวายทานได้ฟังธรรมจากท่านเหล่านั้นก็ถือว่าท่านเหล่านั้นก็มีอนุตริยาเนี่ยนะใครที่ได้พบได้เห็นก็เป็นลาภาอนุตริยา ได้ทัศนานุตริยะใครที่ได้ฟังคำสอนท่านเหล่านั้นก็เป็นสวนานุตริยะผู้ใดได้ตามระลึกถึงท่านก็เป็นอะไรนะอนุสตานุตริยะได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนก็เป็นศึกานุตริยะแต่ถ้าหากว่าได้บำรุงรับใช้ปรนิบัติท่านเหล่านั้นก็เป็นปาริจาริยานุตริยะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมีพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขผู้ใดได้ปรนิบัติรับใช้ได้บำรงได้อุปถากท่านเหล่านั้นเป็นต้นก็นับว่าได้อนุตรริยะไม่ใช่น้อยต่อไปพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดูก่อนพิสูนทั้งหลายการประชมการแห่งพระสาวกพระพุก ข, ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะได้มีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสี่หมืนรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหรันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะปุสัมทะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีณาศพทั้งสิน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหรันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากโกนาคมณะได้มีครั้งเดียวนี่นะ ก็มีพิกษุจํานวนสามหมื่นรูปดูก่อนพิสูุนทั้งหลายสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนแต่เป็นพระขี่นาศพทั้งสิน้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสส ป, ปะก็ได้มีครั้งเดียว มีภิกษุจํานวนสองห 0,000 ื่นรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่ากัสสปะนั้นที่มาประชุมกันครั้งเดียวล้วนแต่เป็นพระขีณาศพทั้งสิน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมการแห่งสาวกของเราในบัดนี้ก็ได้มีครั้งเดียวมีมีจำนวนภิกษุหนึ่นอรสูปดูกภิกษุทั้งหลาย สาวกของเราซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนแต่เป็นพระขีณาศพทั้งสิ้นก็ล้วนแต่เป็นผ้าหันทั้งหมดเลยเนี่ยนะถามว่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่มาประชุมกัน 1,250 รูปคือใครอันนัอัทธเตระสาริภิกขุสตานิความว่าภิกษุ 1,250 รูปก็คือปุราณชดิน 1,000 พรูปคืออดีต เมื่อก่อนท่านเคยเป็นเะดินก็คือเชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารที่บวช ด, ด้วยอเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพาธานตอนที่จบอาทิตตเปรยสูตรและภาษาริบุทพโมคขาลานะพร้อมทั้งบริวารอีก250รหิรูปเนี่ยนะหนึ่งพันบวกกับ250รหรูปก็เป็นหนึ่งพรหรูปบรรดาพิสษุเหล่านั้น ควรจะกล่าวถึงเรื่องการตั้งความปรารถนาของพระอัคารสาวกทั้งสองท่านบอกว่าถ้าถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องรายละเอียดตรงนี้จะต้องพูดตั้งแต่โน่นสมัยที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะตั้งความปรารถนาเป็นพระอัคารสาวกตั้งแต่เมื่อหนึ่งอสงไขยแสมกับสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมาทศีมาแล้วแล้วก็เล่ามาโดยลําดับนะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกกันนะนี่ก็เลยยกตัวอย่างมาให้ฟังคร่าวๆ เล่ากันว่าตั้งแต่พระษารรบุตรบรรลุเป็นเป็นพระโสดาบันเมื่อฟังธรรมจากใครจากพระอัศเชิพระโลกพระโมคคัลลานะบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากพระษารรบุตรนะคือพระษารรบุตรฟังจากพระอัศเชิบรรลุเป็นพระโสดาบันระษารรบุตรไปแสดงให้พระโมคคัลลานะฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันหลังจากนั้นท่านเหล่านั้นก็ไปเจริญกรรมฐาน พระมหาโมคขลานะก็บรรุมาโดยลําดับวันที่7คือหมายความว่าบวชได้7วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงเวทนาปริกหาสูตรสูตรว่าด้วยการกําหนดเวทนานนะก็คือทีฆะนักษสูตรในมัชฌิมณิกายมัชฌิมปัญ น, นาตเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหาของอแสดงธรรมให้เหมาะกับอัธยาศัยของหลานหลานพระสารีบุตรนั่นแหละ คือเนื่องจากว่าหลานของพระสารีบุตรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พระสารีบุตรมาบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเขาก็จะมาหาเรื่องจะมาหามาตำเหนียนะจริงๆก็จะมาชวนลุงชวนอะไรกลับนี่แหละก็ไปถึงก็ไปกล่าวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าพระองค์ก็บอกว่าไอความเมรันอันนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านเหมือนกันเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมให้จบพระสารีบุตรก็แสดส่งยานคล้อยตามพระธรรม ก็บรรุเป็นพระอาหารหันต์ฝ่ายหลานของเขาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันณนะท่ามสุกระขาตาท่ามกลางภูเขาคิชกูตท่านี้อยู่กลางเขาพิชกูตในวันที่15บห้าระหว่างที่ทรงกระแสจิตตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้มีบางท่านก็บอกว่าพร ะ, ะพระพุทธเจ้าแสดงให้คนอื่นแสดงเจาะจงต่อผู้ใดผู้นั้นตั้งใจเท่านั้นจึงจะบรรลุ ถ้าใครเข้าใจแบบนี้ไม่ถูกต้องหมายคำ ว, ว่าอาหารเนี่ยนะสมมตถิถ้าเปรียบเหมือนอย่างอาหารการตรัสรู้ของภาษารีบุตรเหมือนว่าพระพุทธเจ้าคดข้าวใส่จานยื่นไปให้หลานคือทีขนขักขะปริภาชกภาษารีบุตรก็นั่งทานไปด้วยเขาคดให้อีกคนหนึ่งนะแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ห้ามทานที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตให้แก่ผู้ใดก็ตามานี่นะถ้าผู้หนึ่ง ตั้งอกตั้งใจที่จะฟังทำพูดนั้นเหล่านั้นก็บรรลุด้วยบรรลุได้โดยที่ไม่ต้องแบบแม้ต้องปลารบเราเท่านั้นจึงจะแสดงธรรมแล้วจึงจะบรรลุต้องเอ่ยชื่อเราแล้วจึงจะบรรลุบอกไม่จําเป็นอย่างนั้นขอให้ใส่ใจโยนิโสมนัิการพิจรารณาโดยเย็บคายตามคําสอนสามารถตรัสรู้ได้ทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นท่านก็ตามระลึกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนใส่ใจตามคําสอนเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นผ้าอรหันถึงที่สุดแห่งสาวกบา ร, รมาีญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบถึงการบรรลุเป็นผ้าอรหันของภาษาริบุตรเสร็จแล้วพระองค์ก็เหาะไปยังเรียกว่าเหาะไปยังเวหาดไปปรากฏตัวนะพระเวรุวันเนี่ยนะพระวิหารเวรุวัน ฝ่ายภาษาริบุตรก็รำพึงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนหนอก็ทราบความที่พระองค์นั้นไปประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารเวลุวันแม้ท่านเองก็เหาะขึ้นสู่เวหาคือภาษาริบุตรก็เหาะไปเหมือนกันไปปรากฏนะพระวิหารเวลุวันเหมือนกันครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ประกาศพระปาติโมกนะหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศนั้นบอกว่าเนี่ยเป็นการประชุมสาวกของพระองค์เนี่ยนะจำนวนหนึ่รูป เียว่าสาวกสันนิบาตนะนะสาวกสันนิบาตนั้นวันพระสัตริบทรวามลุวันไหนบอกมันลุวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกและวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกเดียวกันนี่แหละเป็นวันที่พระองค์ปรงพระชนมายุสังขารเนี่ยนะปรงมายุสังขารเพราะว่าหลังจากนั้นสามเดือนก็จะเป็นวันเพ็ญเดือน6กใช่ไหมเพราะว่าเดือนสามอันนะเดือนสามไปถึงเดือนหกก็ประมาณสามสาเดือนเนี่ยนะ อ่าสังเกตง่ายๆอย่างนั้นแหะ